เห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไหมต้องมีนะภาวนาถูกต้องชีวิตเราต้องเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะไม่ใช่เลวลงนะมาพูดวาเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่เคยขโมยขโมยแหลกเลยโอ้ยอย่างงั้นแย่นะภาวนาถูกต้องชีวิตต้องเปลี่ยนเคยทุกข์มากก็ต้องทุกข์น้อยลงนะเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นเคยเห็นแก่ตัวก็รู้ทันเนะ กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเห็นเลยว่าเราร้ายกว่าแต่ก่อนรู้สึกไหมร้ายกว่าที่เรานึกเดิมเราคิดว่าเราเป็นคนดีนะมหัดภาณนาจะรู้เลยโอ้หกิเลสเนี่ยทำไมมันเยอะขนาด น, นั้นนับไม่ถูกเลยวันหนึ่งวันหนึ่งว่าเกิดกิเลสกี่ครั้งแล้วนับถูกไหมเกิดกุศลกี่ครั้งถ้าหากจเจริญสติอยู่นะ กิเลสเกิดแล้วเราก็มีสติรู้ทันกิเลสเกิดแล้วมีสติรู้ทันนะมันจะมีสมการนะความรู้สึกตัวบวกหนึ่งนะจะเท่ากับความหลงก็มีบวกหนึ่งนะเพราะมันน้อยกว่าความหลงอยู่หนึ่งเสมอเลยนะ <c oughs> การภาวนาไม่ยากนะไม่ยากขั้นแรกสุดเลยราาักษาศีลไว้ต่อไปก็ฝึก ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้สําคัญที่สุดเลยนะจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละเรียกว่าจิตมันตั้งมั่นจิตมันมีสมาธิจิตที่มันลืมเนื้อลืมตัวมันหลงไปมันไหลไปเรียกจิตส่งออกนอกที่ไหลไปข้างนอกบางทีไหลเข้าไปข้างในไหลเข้าไปลึกๆก็มีก็เรียกว่าออกนอกหมดเรียกจิตส่งออกนั้นพิยามมีจิตที่รู้สึกตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวฝึกอย่างนี้บ่อยๆ รักษาศีลแล้วก็มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมาเจริญปัญญาขั้นที่สามล้ขั้นเจริญปัญญาขั้นที่หนึ่งมีศีลขั้นที่สองมีจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวขั้นที่สามมาเจริญปัญญาคอยรู้สึกรู้สึกลงในกายรู้สึกลงในใจเห็นขันมันทำงานไม่ใช่เราเห็นขันท่าทำงานไม่ใช่ตัวเรา ค่อยดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตใจที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูนะไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่แท้จริงกระทั่งตัวผู้รู้ผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี Self ๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เผลอไปเป็นผู้เพ่งไปมีแต่ความแปรปลวนเหมือนกันไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรดูอย่างนี้ ในที่สุดก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดานะทุกอย่างมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับมันไม่ได้นะถ้าเห็นอย่างนี้จะเข้าใจธรรมะนะเข้าใจธรรมะพระสันติบุตรนะตอนก่อนบวชชื่ออุปติสสะชอบไปดูร้องรำทำเพลงเขามีอะไรที่ไหนก็ไปกับพระโมคคลาเป็นเพื่อนกันตอนนั้นยังไม่บวชนะชื่อโกลิตะเป็นฆรวาสไปดู ดูไปดูไปเบื่อนะเลยออกไปบวชสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้าไปบวชในสำนักปริพาชกสำนักปริพาชกเป็นสำนักปรัชญานะชอบโต้เถียงคลนะ้า ย, า ย, ายโซเครติสมั้งชอบเถียงเถียงแล้วก็เอาชนะกันด้วยวาทะท่านะนไปบวชอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันในตำรามไม่ได้บอกนะวันหนึ่งอุปติสสะซึ่งต่อมาเป็นพระสารีบุตรเนี่ย ไปเจอพระอัสชิเาพระอาสชิบินทบาทอยู่เนี่ยต้นพุทธกาลเลยพระอสชิบินทบาทพระอุปจิจสะเห็นพระอาสชิผ่องใสก็สนใจเห็นไหมคนเขามีหูมีตาดูออกว่าท่านผู้นี้ไม่เหมือนคนทั่วไปหรอกพระอระหันต์จะดูผ่องใสนะใสเข้าไปถึงในกระดูกเลยแต่ท่านพระอัสชิกำลังบินทบาท นะอุปติสาวก็มีมารยาทไม่ไปเดินถามตันบินทบาตรนะแต่เดินตามไปเรื่อยๆไม่เหมือนเรานะถ้าเป็นเราเรารีบใส่บาทก่อนเลย <c oughs> นิ่มรณฉันก่อนเลยนะฉันเสร็จแล้วได้คุยเลยนี่ท่้นคไม่มีสตังค์เหมือนกันนะก็เป็นนักบวชแล้วออกจากบ้านมานะเดินตามไปเรื่อยๆน่าซะชีชฉันเสร็จแล้วท่านสารีบุตรอุปติสาวเข้าไปหาถามว่ า, าศาสนาของท่านสอนอะไร นะมีปกติสอนอย่างไรพระสาจชีท่านถ่อมตัวท่านบอกท่านเพิ่งบวชท่านไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกวงเล็บแค่เป็นพระราหันเท่านั้นแนละท่านไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะนะไม่รู้ทั่วถึงคาสอนของพระศาสดานะอุปติษากบอกขอสักหน่อยก็ยังดีนะนะท่านรู้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแหละเดี๋ยวผมย่อมเข้าใจของผมได้เอง พระสัชชีก็บอกว่าเยธรมมาเหตุตุภาวเตสร่างเหตุตุงตรทาคโตเตสัญนจโยนิโรโทจใจวังวาทีมะหาสมโนตินี่มีบาลีหน่อยนะเนี๋ยวจว่าหลวงพ่อไม่เทศบาลีเลยว่า <c oughs> ททั้งหลายเกิดจากเหตุไหมทำทั้งหลายคือสภาวะรมทั้งหลายเกิดจากเหตุพระตถาคตเจ้าแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและแสดงความดับไปแห่งธรรมนั้นพระตถาคตเจ้ามีปกติสอนอย่างนี้ สอนเรื่องเหตุเห็นไหมสอเรื่องเหตุกับความดับของเหตุนะสภาวธรรมทั้งหลายมันมีเหตุมันก็เกิดนะหมดเหตุมันก็ดับไปงนะั้นสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนหรอกสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่มีตัวตนถาวรเนี่ยพระสารีบุตรฟัง4ประโยชนสประโยคเท่านั้นนะเยธรมมาให้ตุปภาวาเตสั่งเหตุตุงตะทาคโตเตสั่งเชโยนิโรโทจะนี่ตัวสารธรรมะ3ประโยค เอวังวาทีมหาสมโนติพระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่คำสอนเป็นการ Reference Refer ฟอนะนั้นจริงๆฟัง3ประโยคเป็นพระโสดาบันเพราะท่านเห็นอะไรท่านเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับตัวมันดับถ้ามีเหตุมันมีไม่ใช่เกิดด้วยอานาจบังคับของเราตัวเราไม่มนะีท่านเห็นแจ้งขึ้นมาว่าตัวตนที่แท้จริงไม่มี มีแต่สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นเกิดเพราะมีเหตุไม่ใช่เกิดเพราะเราสั่งได้ถ้าเหตุดับสั่งให้มันอยู่มันก็ไม่อยู่เห็นไหมภูมิปัญญาของท่านท่านฟังปิ๊งเดี๋ยวเข้ามาตรงนี้เลยเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาพวกเราฟังแล้วเป็นไงฟังเหมือนท่านอ่ะฟังทั้งสองรอบด้วยอโอ้ทั้งบาดีทั้งไทยอ่ะเอาว่าไงอ่ะได้อะไรบ้างะนะนก็ได้ยิ้มมีความสุขเนาะยิ้มไปยิ้มมา ท่านก็ถามต่อภษาริบุตรเห็นไหมเห็นไหมว่าภาษาริบุตรไม่ถามก่อนนะว่าพระอาชีเป็นลูกศิษย์ใครถามก่อนว่าครูของท่านสอนอะไรนี่เพราะอะไรท่านสนใจเนื้อหาของธรรมะมากกว่าตัวบุคคลน่ายกย่องใจของนักปราชญาเนี่ยนะถามชื่อถามแท่เสร็จแล้วก็ฟังคำสอนไม่ได้เรื่องเลยเสียเวลาจำเสียเสียเมมโมรี่ ต้องได้เรื่องก่อนนะท่านถึงถามบอกว่าชื่อพระสมณะโคโดมออกบวชจากศักยะตระกูลแล้วนะตอนนี้มาอยู่ที่เวรุวันวัดป่าไผ่อุปติสาก็เลยรีบลาพระอาชาชีนะไปตามเพื่อนนะตามโกลิตะไปท่องให้ฟังว่าพระอาชาชีสอนอย่างนี้โกลิตะก็ได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันเพราะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะเหตุนะถ้เาเหตุดับตัวมันดับ ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนถาวรสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุทั้งสิ้นนะสิ่งที่เกิดเน่ล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นเพราะท่านรู้ว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยล้วนแต่มีเหตุทั้งสิ้นนะมันก็มีสิ่งที่ไม่เกิดถ้าสิ่งที่ไม่เกิดไม่มีเหตุให้เกิดด้วยแล้วก็ไม่ดับด้วยก็คือนิพพานนะนี่คนที่เข้าใจถึงถึงนะบารมีเขาถึงเขาฟังนิดเดียวเขทะลุไปหลายชั้นเลยนะของเราฟังแล้วก็งั้นๆนะฟัง หลวงพ่อก็ฟังมานานแล้วเยธรรมมาเนี่ยเรา ก, ก็งานงันเหมือนพวกเรานั่นแหละไม่เก่งกว่ากันหรอกนะยังงงเลยแค่เนี่ยเป็นพระโสดาบันได้ไงพระโสดาบันนุ้งละส ก, กายทิฐิวิจิกิจฉาศิลพตาปรามากมีศีลบริบูรณ์นะไม่มีสารณะอื่นนอกเหนือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผล ข, ของกรรมวุฒคุณสมบัติทั้งโยอะฟังสาบรรทัดนะ่ะสมประโยชนะ์ เราฟังไงกไ็ไม่ได้เรื่องเลยเพราะเราฟังไม่ไมซึ้งนะว่าสิ่งทั้งหลายจริงๆเกิดจากเหตุไม่มีตัวตนถาวเรเราไม่เห็นท่านเห็นบารมีท่านมากนะเอาละเทศเปลินอีกแล้วอ้าวต่อไปตัวยกันบ้านอ้าวเชิญคนอยู่วัดส่งกันบ้านเอาย่อๆสั้นๆตามความจำเป็นสุนทรพพน์ไม่เอาก็ตั้งมั่นขึ้นไหมคะหลวง่อ ไม่รู้ด้วยตนเองไม่รู้แล้วมันจะได้มักผลได้ยังไงรู้ไหมคิดว่าตั้งมันขึ้นกว่าเดิมคจิตไม่กระจายออกไปข้างนอกแต่มีโมหมมนะดลวอกไหมมีเออมีเอานะไม่ถึงฐานด้วยดกออกเปล่าฮะดว อ, อกไหมไม่แน่ใาจาค่ะมันไม่ไม่ตั้งบนฐานมันหรอกแค่มันเข้าไปในกายเท่านั้นให้รู้เอานะ จิตไหลไปไหลมาค่อยรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันเข้าฐานเองอ่ะสาธุสก็จิตฟุ้งซ่านแล้วก็มีโมหะครับผมแล้วก็เมื่อวานผมสังเกตเพิ่งสังเกตเห็ น, นะครับว่าเวลาผมนั่งนั่งแล้วหลับตาเนี่ยมันมันจะไปเพ่งนะครับผ ม, ม <c oughs> เหมือนก็มันจะดับความรู้สึกตัวไปเลยแล้วก็ไปเพ่งอยู่ะคะรับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับอืมดีดีที่รู้ทัน กรับเรีย น, นอาจารย์ครับก็วิปัสสนากิเลตนี่คิดว่ายังยังไม่หลุดยังติดอยู่นี่มันยังค้นอยู่นั่นมันไม่เลิกค้นนทีนึงแล้วก็ดูมันไปไเรื่อยๆแต่ก็พี่ามาดูไปน ะ, นะจิตมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งในธรรมะครับให้รู้ทันว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านในธรรมะอยู่แล้วก็มีความสุขที่ได้ฟุ้งซ่านในธรรมะครับให้รู้ทันว่ามีความสุขอยู่ที่ไปติดอยู่ก็เพราะว่า รู้สึกว่ามันนําความสุขมาให้ยังเสียดายอยู่ครับยังเสียดายความรู้ยังอยากรู้มันไม่รู้ว่าจะทํำยังไงมันไม่ใช่เสียดายความรู้อย่างเดียวหรอกมันมีความสุขที่ได้รู้ด้วยมันพึงพอใจที่ได้รู้มีความสุขอ่ะมีความพึงพอใจที่ได้รู้เยอะๆให้รู้ทันความพึงพอใจอันนี้นะถ้ารู้ทันตัวโลภะตัวนี้ดับนะแล้วมันจะมันจะยังฟุ้งอีกไหมครับหรือมันไม่ฟุ้งถ้ารู้ทันลงปัจจุบันมันก็ไม่ฟุ้งหรอกมันฟุ้งไม่ได้ มันฟุ้งได้เพราะหลงนะจิตมันมันไหลไปงั้นให้ดูต้นทางของมันนะที่มันฟุ้งเพราะอะไรเพราะโลภะมันชอบมัอยากเนี่ยให้รู้ทันใจที่ชอบที่อยากแล้วควรจะละไม่มีหน้าที่ละหน้าที่แค่รู้ทันว่าชอบมันแล้วอำนาจที่มันดึงจิตไปเพื่อที่จะไปปรุงเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรนะมันให้รู้ทันใจที่ชอบนะต้นทางมันดับปลายทางมันก็ดับ รู้สึกว่าตอนอกลางวันนะคะก็จะสงบไม่ค่อยฟุง้งซ่านแต่กลางคืนเนี่ยจะนอนไม่จะนอนไม่หลับแล้วก็ฝันอะไรไปเรื่อยกลางวันสงบไหมค่อนข้างสงบกลางวันสงบแล้วกลางคืนคฟุ้งซ่านใช่ไหมใช่ค่ะอาการอย่างนี้บอกโรคได้เลยสงบกลางวันเนี่ยสงบเพราะบังคับไวเพราะข่มไว้นะกลางคืนเนี่ยหมดแรงขม่มมันคิดออกเบีย้ยมันจะฟุ้ง นะเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยตัวสำคัญอยู่ที่กลางวันเนี่ยอย่าข่มจิตดูกายทำงานดูจิตทำงานไม่ข่มไว้นะข่มไว้แหละกลางคืนถึงฟุง้ง <c oughs> เอาต่อไปเบอร์59เหลวงพ่อสอนให้โยมดูว่าเวลาที่เราขาดสติเนี่ยเราจะมีตัวเราขึ้นมานะคะโยมก็เฝ้ารู้เฝ้าดูไปแล้วก็ทำในรูปแบบอย่างสม่าเสมอเรามีไหมมีค่ะมไม่โกหกเนาะ หลวงพ่อครัแล้วมันก็เหมือนกับจิตมันตั้งมั่นขึ้นแล้วมันก็เห็นถึงว่าไปเห็นที่ทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับเองอะค่ะมันคือเดิมมันจะเห็นแต่ว่าขันมันทำงานของมันไปนะคะแต่ครนี้พอดูไปเนี่ยมันจะเห็นว่าบางสิ่งมันเกิดแล้วมันก็ดับของมันไปเรื่อยๆนะคะครนี้ความยึดถือในตัวมันคลายออกไปเยอะเลยอะค่ะหลวงพ่อ ครั้ น, นี้มันเหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราใส่ใจในโลกน้อยลงอะค่ะเราใส่ตามหน้าที่น ะ, ะมีหน้าที่เราก็ต้องสนใจมันอย่างทำงานก็ต้องตั้งใจทําไม่งั้นโกงเขาสมมติเราเป็นลูกจ้างเขาแล้วเอาเวลาไปภาวนาไม่ยอมทํางานนี่ไม่ดีมีหน้าที่ต้องดูแลครอบครัวเราก็ดูแลครอบครัวนะไม่ทิ้งหน้าที่หรอกหลวงพ่อก็แต่พอมันรู้ได้ด้วยใจเนี่ยมันทราบซึ้งนะคะหลวงพ่ อ, อแล้วมันอิ่มเอออยู่อย่างเนี้ยมันจะผิดอีกหรือเปล่าไม่ผิดรรหรอก แต่ว่าถ้ายินดีพอใจให้รู้ทันนะคะอิ่มเอิบแล้วลาล่าลาลาไม่ได้นะมันมันมันเหมือนกับมันเย็นไปหลายวันมันก็ยังอยู่นะคะแต่โยมก็ดูของโยมอยู่อย่างเงี้ยค่ะดูไปหน้าดูอย่างเป็นกลางถึงมันอยู่นะก็ไม่เกินเจวันถ้าเกินเจวันแสดงว่าติดเพ่งแล้วค่ะหลวงพ่อก็มันมันรู้ได้ได้จริงๆรู้ตามได้จริงๆมันอัศจรรย์เลยค่ะหลวงพ่อไม่งั้นท่านจะสอนเหรอว่าอะไร สันทิธิโกสันทิธิโกเห็นตามได้อะเห็นตามได้และเห็นเห็นด้วยด้วยตัวเองบอกใครก็ไม่ได้อะค่ะบอกได้เหมือนกันแต่เขาอยากจะไม่เชื่อทําไมจะบอกไม่ได้อะยังยังถูกอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อถูกถูกหลวงพ่อก็แต่ว่าโยมเนี่ยจะพอเรารู้ว่าทุกอย่างมันเกิดแล้วมันดับโดยความเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ไม่ลงรายละเอียดนะคะหลวงพ่อมันรู้ยังไม่ทันได้คิดว่ามันคืออะไรมันก็ไปแล้วอย่างเงี้ยมันไม่มีความคิดแล้ว ยังถูกใช้ได้นะคะหลวงพ่อใช้ได้สิแต่ถ้ามันจะคิดก็แค่รู้ว่ามันคิดคือมันแก่มันคิดไม่ค่อยทันนี่ะหลวงพ่อว่ามันคืออะไรมันก็จับไปสติมันเร็วนะค่ะเวลาสภาวะเกิดขึ้นสติระลึกรู้ปั๊บก็ขาดไปอันใหม่ก็เกิดอีกแล้วค่ะยังไม่ทันใคร่ครวนถึงงานเก่าเลยมันมันยิกยิ๊แล้วมันก็ไปเลยยังไม่ทันอย่างอะไรนี่แหละคนนี้ใช้คําว่ายิกยิบางคนก็ใช้คําว่ายุบยิบ คนใช้หยุมหยิมมีน ะ, อะพ อ, อนาแล้วมันยุมห ย, ยิมยุมหยิมยังถูกนะคะหลวงพ่อยังถูกนะแต่อย่าประคองจิตไว้แบบนี้นะค่ะตื่นเต้นนะคะห้า <55. S 1> ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อข้างหลังาากราบธมจักรครับหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งการบ้านในรอบสิเดือนครับก็ปฏิบัติมาเรื่อยระยะแร ก, แรกหลวงพ่อเมตตาบอกว่าผมประคองแล้วก็ตึงจิตมากไป เมื่อสิเดือนที่แล้วหลวงพ่อเมตตาบอกว่าผมเฉยเนื่อยไปหน่อยนะครับก็คิดว่าตอนนี้น่าจะดีขึ้นบ้างก็มาขอความมั่นใจนะครับว่าดีสิครับขอบพระคุณครับแล้วคําถามที่สองครับหลวงพ่อกมลังกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าคนแก่นะครับคงไม่น่าจะดีเท่าไหร่ก็อนุญาตถามขอกําลังใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้พอแก่แล้วความจํามันก็หลงๆลืมๆ นะครับมันก็จําได้บ้างไม่ได้บ้างขออนุญาตถามว่าแล้วจิตนะครับที่ฝึกไปเขาจะหลจิตนะครับเขาจะหลงหลงลืมลื ม, ลมตามอายุของคนแก่ไหมครับเรือ่อ่ที่ฝึกเอานะคือยกตัวอย่างเลยเป็นรู ป, ปรธรรมนะหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ทางอีสานองหนึ่งท่านเล่าถึงอาจารย์มหาบัวนะบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนนี้แก่มากอายุ98แล้ว ท่านหลงห ล, งลืมลืมนะเรื่องในวัดเนี่ยบางทีท่านทิ้งเลยท่านลืมไปแต่อย่าถามเรื่องธรรมะนะท่านแม่นเปรี้ยเลยนะเพราะอันนั้นท่านรู้ด้วยใจจริงๆนะส่วนที่จําด้วยสมองเนี่ยสมองมันเสื่อมคนละเรื่องกันนะเพราะฉนั้นการภาวนาเนี่ยเราภาวนาด้วยใจนะพวกนี้ไม่ลืมหรอกแก่งไงก็ไม่ลืมแต่เรื่องที่ใช้สมองจำเนี่ยลืมนะลืมแน่นอนครับขอบพระคุณครับ เบอร์เจ็ดสิบสาครั้งล่าสุดที่มาส่งกันบ้านหลวงพ่อนะคะก็จิตมันจะไม่ค่อยมีกําลังนะคะแล้วจริงๆคือช่วงที่ผ่านมาจิตมันจะไม่มีแรงนะคะ mm hmm. แล้วก็จะลงไปคลุกกับอารมณ mm ์ hmm. มากแล้วก็จะมีความทุกข์อะคะ่ะย mm ิ hmm. ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้สึกว่าความทุกข์มันบีบคันมากๆนะคะ mm hmm. ทีนี้พอพอจิตมันมีความทุกข์มันก็เลยเมีฉันทะที่จะ กลับมาเจริญสตินะคะ<ช>เพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยไม่มีแรงแล้วก็จะหลงเผลอไปอะคะ่ะแต่ช่วงหลังเนี่ยพอมันมีความทุกข์มันอี่มคันนะข้อะะดีของความทุกข์ละความทุกข์ทำให้เราไม่ประมาทนะความสุขเนี่ยพาให้ประมาทง่ายดีมีทุกข์แล้วไว้ดูแล้วช่วงก่อนหน้านี้คือพอมันจิตมันไม่มีกําลังมันจะไม่มันจะมีโทสะกะโมโอหะอยู่เป็นพื้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไม่ มันจะไม่เป็นกลางด้วย น, นะะเรอนั่นแหละปัญหาอยู่ที่นี้ปัญหาอยู่ที่ไม่เป็นกลางถ้าเป็นกลางแล้วมีอะไรก็ได้นะจิตเป็นกลางซะ อ, อย่างแต่ว่าวันนี้จิตมีกำลังมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นกลางมากขึ้นค่ะถึงฐานไหมคิดว่าถึงค่ะออกนอกหน่อยลองย้อนดูจิตซิเห็นไหมได้งออกแสดงว่ากำลังมันยังไม่เต็มหรอคะลวง่า ให้รู้ทันจิตที่ไหลออกไปรู้บ่อยๆนะแล้วก็รู้สึกอยู่ในร่างกายเดี๋ยวมันเข้าบ้านเองอะนะแรงยังไม่พ อ, อดีขึ้นล้ต้องทําอะไรเพิ่มไหมคะให้รู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปนะทาในรูปแบบสัก อ, อันหนึ่งแล้วก็จิตไหลไปที่อื่นรู้ทันจิตไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้ก็รู้ทันจิตไหลไปไหนก็รู้ทันนะเดี๋ยวมันจะเข้าที่เองคิดเยอะไป การเกิไม่เป็นไรเราคิดเราลืมกายลืมใจเวลาเราคิดนะเรารู้เรื่องที่คิดนะแต่มีร่างกายเราก็ลืมมันจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้ายเราก็ลืมมันเรางั้นเมื่อไหร่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อนั้นไม่สามารถรู้รูปนามได้แนวพิธ ร, รมถึงสอนบอกธรรมชาติของจิตเนี่ยรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรูเรร้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัต เมื่อมันไปรู้เรื่องราวที่คิดคือรู้อารมณ์บัญญัติเส็แล้วเนี่ยไม่สามารถจะรู้อารมณ์ปรมตัตดคือรูปนามได้นะงั้นเราใครรู้สึกนะจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไวๆเราก็จะมารู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจได้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆให้ทําตัวเป็นแค่คนดูดูรูปมันทํางานดูนามมันทํางานดูบ่อยๆไปก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงเลยมันทํางานนี้มันไม่ใช่เราบังคับได้นะมันแปรปรวนตลอดเวลาเพราะมันมีเหตุ มีเหตุอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มีเหตุอย่างนี้นเป็ น, น, น, ป น, นี้ให้คงที่นะเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไปจะรู้ไม่มีอะไรเป็นตัวตนถาวรตัวเราไม่มี 130. ร้อยสากลาบหลวงพ่อค่ะสังเกตว่ามีมีวันหนึ่งที่ปกติเราจะดูดูภาวนาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่ามีขณะที่ว่าเราคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วเราก็จิตเราก็เกิดเหมือนกับว่าเพ่งโทษหรือว่ารู้สึก เป็นกิเลส ท, ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วจิตมันก็รู้ขึ้นมาเองปุ๊บมันดับปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็เห็นอีกขณะหนึ่งที่มันมันไม่มีตัวนั้นแล้วอย่ค่ะ hmm. แต่ว่าแปลกใจว่าเวลาที่เห็นแบบชัดๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะจําแม่นมากเลยแล้วก็ทั้งๆ ท, ที่ก็รู้สึกว่าเลยเหมือนกับว่ามันมีดีกรีของความรู้ที่ว่ารู้แบบหนักแน่นอย่างเงี้ยค่ะ hmm. กับรู้แบบว่ากับรู้แค่เกิดดับไปแบบเกิดดับกระดับแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่า อินมากหรยเงี้ยแต่บางทีบางขณะเราอินมากเลยว่าโอ้ชัดอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องชัดกลิบนะเถ้าชัดมากเกินไปแรงไปดูไปสบายๆตามธรรมชาติถ้าแรงไปชัดไปเนี่ยจงใจมากไปนิดนึงคมไปสติกล้าแข็งเกินไปแล้วก็เมื่อเช้ามาถึงก็ไปเดินอยู่ที่ลานหลวงปู่ดูนะคะก็ ตาก็ไปเห็นอ่านที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์อ่านจบปุ๊บก็คิดถึงว่าเนี่ยคือคําที่นําให้หลวงพ่อเนี่ยได้ไปรู้จักหลวงปู่พอเราคิดขึ้นมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะจิตมันเกิดปีติขึ้นมาเองนะคะ mm hmm. หลวงพ่อแต่พอเราเกิดปีติปุ๊บเนี่ยมันวิ่งซ่านอยู่ในตัวเราปุ๊บเนี่ยเราทุกทีเวลาที่เรามีความสุขปีติเราจะมีมีมีจิตที่เหมือนกับให้ค่าว่าปีติเนี่ย ม, มันก็ดีเหมือนกันอะไรนี้ใช่ไหมคะแต่เสร็จแล้วกลับมาเห็นว่าเอ๊ะทาไมเหมือนกับว่ามันไม่มาแค่เป็นสภาวะที่มันเกิดไหลผ่านร่างกายเราไปอย่างนี้คะ่ะใช่แต่ว่ามันไม่มีความหมายมันไม่มีการให้ค่าแล้วก็เลยเอ๊ะกลับมาคิดว่าเลอนี่คือการดูที่เห็นความเป็นกลางนั่นแหละดูด้วยความเป็นกลางนะจะเห็นสภาวะทั้งหลาไหลามาแล้วก็ไหลไปไม่มีเรา <c oughs> เห็นไหมปิติก็ไม่ใช่เราจิตที่ไปรู้ก็ไม่ใช่เราค่ะ ดูไปอยอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นก็ดูอย่างนั้นมันไม่เป็นก็อย่าไปเรียกร้องมันถ้าจงใจให้เป็นมันไม่เป็นสี่สบสองกล่าวถมาสการหลวงพ่อคะ่ะคือคืออยู่ๆมันก็มีคนมาจี้จใจดําเราที่เราเคยเป็นทุกข์กันนะคะแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาแรงมากออแรงมากขนาดที่ว่าแล้วพอเราพอเรามานั่งสมาธินะคะน้ําตาลมันก็ทะลักออกมาใหญ่เลยอเสร็จแล้วเนี่ย มันก็ผ่อนคลายลง<ม>เสร็จแล้วมันก็จะมีการตั้งคําถามเราอะคะ่ะตั้งคําถามแล้วก็ตอบตั้งคําถามแล้วก็ตอบ ต, อ, ตอไปทีละชั้นทีละชั้นตัวในที่สุดเนี่ยเราก็เลยหลุดออกมาจากความทุกข์ทั้งใน<ม>ความจริงตอนแรกเราไม่ได้ตั้งใจจะคิดมันมมเป็นเรื่องที่เกิดมานานหลายปีมากแล้วแล้วมันก็จบไปนานแล้วอะค่ะื<ม>แต่ว่ามันฝังอยู่ข้างในโดยที่เราเองก็ไม่รู้อคราวนี้พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้เนี่ยปัญหาเนนี้ไม่ทําให้เรารู้สึกทุกข์รู้สึกเบาเลยอะคะ่ะก็เป็นหนึ่งครั้ง แต่โยมยังไม่ทันคิดอะไรก็พามากรกดาเนี่ย ก, ก, ก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันอีกแต่คนละเรื่องนะคะก็เป็นเรื่องที่โยมคิดว่าโยมได้รับความอายุ ต, ต, ติธรรมก็มลมลหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบแล้วโยมก็ฝังใจอยู่นั่นแหละมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกทําให้โยมเนี่ยรู้สึกคือรู้สึกก็คือน้ําตามันออกมาเยอะแยะอีกนะคะแล้วมันก็ผ่อนคลายเสร็จแล้วก็มีการตั้งคําถามคําตอบแบบนี้อีกแล้วพอมันจบเนี่ย แล้วก็เขาสอนด้วยสอนด้วยว่าถ้าโยมเนี่ยยังติดอยู่อย่างเนี้ยแล้วก็มียกตัวอย่างคนมาให้โยมดูหลายๆคนว่าคนที่ยังติดอยู่อย่างเนี้ยชีวิตเขาปัจจุบันเป็นยังไงทั้งที่เรื่องมันก็ผ่านมาเป็นสิสิบปีแล้วเขายกมาหลายคนเลยนะคะเ mm hmm. จอทั้งโยมก็เลยเห็นตามจริงว่าถ้าโยมยังเป็นอย่างเนี้ยโยมก็เสียเวลามาแล้วหลายปี mm hmm. แล้วเขาก็สอนอีกคือ <c oughs> <c oughs> เขาสอนว่าถ้าโยมอยากมีชีวิตในอนาคตเป็นยังไงเนี่ยโยมจะต้อง <c oughs> <c oughs> ทำเหตุในปัจจุบันเนี่ยไปตรงกับผลในอนาคตแล้วก็สอนด้วยว่าคือวิธีฝึกดูจิตที่หลวงพ่อสอนโยมเนี่ยให้โยมคอยมีสติตามรู้ว่าโยมกาลังคิดอะไรรู้สึกอะไร ค, คือสอนได้ดีมากนะคะรนทั้งจบเรื่องแล้วเนี่ยโยมก็กลับมานึกขึ้นได้ทำไมเราฉลาดจังเสร็จแล้วก็นึกได้ว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดตัวเองก็ยังโง่ซื่อเหมือนเดิม โยมก็เลยคิดว่าทั้งหมดที่มาสอนเนี่ยก็คือโยมเรียกว่าผู้รู้คือคือไปมาเนี่ยเขาหลักแหลมมากดูดูตอนนี้เผลอแล้วคะแต่ปัญหาก็คือว่าโยมอยากให้เกิดแบบนี้เรื่อยๆในชีวิตประจําวันนะคะเหลองั้นโยมยุ่งตายเลยโยมมีสติไวในชีวิตประจําวันนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึก ทุกอย่างเป็นของถูกรู้ถูกดูฝึกไปงี้นะแล้วตัวผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาคือหลวงพ่อเคยให้โยมการบ้านวิสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งบอกว่าให้ไปดูจิตในชีวิตประจําวันครั้งที่สองเนี่ยโยมมีสภาวะป๊อปแป๊บเกิดขึ้นหลวงพ่อบอกว่าใหา้ให้โยมตามรู้ป๊อปแป๊บแบบเบาๆออคือสองอันเนี้ยโยมไม่ถือเป็นการบ้านอีกแล้วนะคะโยมถือว่ามันเป็นนิสัยไปแล้วอครั้งนี้โยมตั้งใจมาขอการบ้านใหม่ค่ะอ แล้วก็สภาวะใหม่ด้วยนะคะสภาวะใหม่เนี่ยให้ไปดูตัวนี้นะโยมีพลังมหมุนหมุนมนวนๆอยู่ในตัวด้วยค่ะข อ, อ, องกับป๊อปแ ป, ป๊บสองอย่างเลยค่ะเวลาเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะกระโจนเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดอย่างรุนแรงนะตัวนี้จะหลอกลวงให้เราเสียเวลาเนั้นต่อไปนี้ใจมันกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดนะให้รู้ทันเม้นเราจะวนอยู่ในวังวนหมุนไปเรื่อยๆนะี่นเราไม่ไม่กระโดดเข้าไปในวังวนอันนะั จิตหลงไปคิดให้รู้ทันจิตหลงไปคิดให้รู้ทันฝึกตัวนี้บ่อยๆนะเนี่ยหลงอีกแล้วนึกออกไหมมันตื่นเต้นอยู่ค่ะเออนะไปรู้เอานะอาการบ้านนี่คือคืออะไรคะจิตหลงไปแล้วรู้เนี่ยหลงอีกแล้วเห็นไหมหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงหกทางนะ <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ไม่หลงก็เป็นพระอราหารัน <c oughs> ยากไหม ยากไปไหมหรือง่ายไปคือมันเฉพาะอารมณ์ตอนนี้ค่ะไม่ใช่ไ ม, ไม่ใช่ว่าเป็นตอนลอดตอนไหนก็เหมือนกันไปดูเหอะจิตมันจะกระโดดเข้าไปหาอารมณ์ได้เรื่อยๆแหละเ น, นี่ยเห็นไหมจิตไปตรึกตรองเคยรู้ทันเรื่อยๆนะคอยรู้ไปเรื่อยๆงัอนจิตเราจะกระโดดไปปัญญามันจะล้มหน้าไปงงไหมงงค่ะรู้ว่างงเลยเห็นไหมบอกให้รู้ลงปัจจุบันไปเลย ไปดูนะงงให้รู้วงงนะภาวนานะบางครั้งจิตเกิดปัญญาบางครั้งจิตสอนจิตได้บางครั้งมีนิมิตประกอบด้วยเห็นเป็นพระพุทธเจ้าบ้างเห็นเป็นครูบาอาจารย์บ้างมาสอนมีสารพัดรูปแบบความจริงจิตมันเป็นตัวรู้เรานั้นมันรู้ของมันได้นะมันสอนได้แต่บางทีมารก็หลอกนะมารมันมาสอนแทนพระพุทธเจ้าสอนว่า ไม่ต้องไปยึดถืออะไรสัอย่างเลยสพเพธธรรมานารังอะพินิเวสายะนี่อ้างธรรมะดีๆ ด, ด้วยนะไม่ต้องยึดอะไรสัอย่างเลยไม่ต้องภาวนาถ้าภาวนาคือยึดถือเนี่ยมันหลอกองนี้ก็มีนะอยเชื่อมันนะอันเบอร์ห้าสาก็หมอมอั่นครับเข้าช่วงนี้มันเหมือนเห็ น, เ ห, นเห็นความฟุ้งซ่านครับแต่จิตมันรู้สึกเฉยๆเกินไปหรือเปล่าครับตอนนี้ตอนนี้มันเฉยกว่าปะกะติอะตอนนี้มันตื่นเต้น ครับจิตถึงฐานไหมไม่ครับปกติถึงฐานไหมช่วงนี้มันรู้สึกมันมันฟุงฟุงครับแต่เหมือนมันจับหลักไม่ได้ครับผมพอก็พยายามทำความสงบบ้างอะจับหลักไม่ได้ทําสมถะนะพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปแล้วรู้ทันจิตพุทโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทธโธแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันฝึกอย่างนี้เรื่อยนะนจะตั้งมั่นขึ้นมาได้ก็คือไปทําสมถะเพิ่มสมาธิไม่พอดูออกไหม รู้สึกได้ครับนะร้อยหกสิบหกน้มาสการหลวงพ่อครับามาส่งกันบ้านนั้งแต่ะปลายปีที่แล้วะครับก็ที่ผ่านมาก็พบว่าชีวิตเบาขึ้นนะครับทุกก็เห็นชัดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าทางออกของทุกขก็คือตัวทุก ค, ครับอะไรนะทางออกของทุก็คือตัวทุกเองนะครับเป็นยังไงทางออกเป็นตัวทุกเหมือนกับเรา วิ่งหาวิธีหนีจากทุกข์นะยิ่งเราหนีเท่าไหร่ก็ทุกข์มันก็ตามแต่ถ้าเราแบบไม่หนีเราประจันหน้ากับมันเราก็รู้มันไปกระโดดใส่เข้ามันเนี่ยมันก็รู้อย่างเป็นกลางนะไม่โดดไปตีกมันนะก็มันก็มีเป็นบางช่วงนะครับบางช่วงก็บางช่วงก็รู้บางช่วงก็ขึ้นชกกับมันเนี้ยครับอย่าไปชกกับมันนะชกกับมันสู้มันไม่ได้หรอกครับมันชกเก่งเพราะว่าชีวิตเบาขึ้นนะครับช่วก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่า แรงประทะแรงลบกวนมันก็ลดลงไปเรื่อยๆครับดี ถ, บถ้าเราฝึกมากๆนะเราจะรู้สึกกิเลสหรือความทุกข์เหมือนน้านะไหลไปจิตเราเหมือนเรือเรือไม่ต้านน้ําไม่ต้านกิเลสหรอกไม่ต้านความทุกข์หรอกก็เห็นแต่ว่าความทุกข์มาแล้วก็ไปกิเลสมาแล้วก็ไปใจเราเป็นกลางไม่ขวางมันแล้วก็ไม่ลอยตามมันไปขอคําแนะนำจากหลวงพ่อได้ครับนะ่าดูไปนะดูอย่างเป็นกลางไปเรื่อยๆ ไม่คล้อยตามไม่ต่อต้านนะไม่ว่าจะทุกข์หรือกิเลสนะรู้อย่างที่มันเป็นอา้าววิท ย, ทย์คุณวิทนูอยู่หลังห้องกรรมนบัณฑ์สกา ร, การหลวงพ่อครับมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์ครับผมโอ้ยไม่ต้องส่งใบสมัครครับ อ, อยากให้หลวงพ่อแนะนําวิหารธรรมหรือแนวทางหลักการปฏิบัติที่เหมาะสมกับตัวผมนิสัยเป็นไงล่ะขี้โมโหมากครับ ยีโมโหดูจิตไปครับผมดูโมโหนะครับจิตโมโหแล้วก็ดูดูเหมืนเห็นคนอื่นโมโหแต่ต้องถือศีลไว้ก่อนนะครับโมโหไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าใครไม่ตีใครนะครับไม่ชกด้วยนะไม่เตะ ด, ด้วยนะเดี๋ยวจะบอกหลวงพ่อห้ามเฉพาะตีตครับผมจิตนี้ไปคิดอีกแล้วทราบไหมทราบครับนะ ไปทํากันบ้านนะจิตนี้ไปคิดแล้วรู้ทันถ้าหนีไปคิดแล้วรู้ไม่ทันปเดี๋ยวมันก็โมโหขึ้นมาก็รู้ว่ามันโมโหครับถ้ารู้ได้เร็วก็รู้ตั้งแต่มันหนีไปคิดยังไม่ทันจะโมโหครับถ้ารู้ช้ามันก็โมโหขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอาครับดีกว่าไม่รู้เลยครับเบอร์สี่สบห้ามาครั้งแรกค่ะหลวงพ่อ อเออแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติอะไรมาเลยเหลอโอ้ค่ะแล้วก็พอดีได้ฟังซีดีหลงพ่อบังเอิญได้ฟังบังเอิญได้ยังไงก็ <c oughs> บังเอิญเดินผ่านไปทางด่วนแล้วก็เจอซีดีก็เลยหยิบมาก็เลยมาฟังผ่านไปที่ไหนเจอซีดีแล้วไปหยิบมาก็ ไปทางด่วนศรีนครินนะคะข้องน้ำก็เลยเดินผ่ายก็เลยเขาแจกเหรอค่ะหรือไปหยิบของใครเข้ามาเขาเขาแจก<อ>ค่ะนี่พวกทางด่วนเขามาเรียนเยอะอยู่ <c oughs> พวกทางด่วนนะบอกเมื่อก่อนเขากลุ่มใจมากเลยนะเขานั่งในตู้แคบๆอ่ะแล้วทั้งวันอยู่อย่างนั้นนะงานที่ทำนี้ซ้าซากที่สุดเลยในชีวิตเนี่ยใช่สุดท้ายใส่เพลงใส่หูฟังนะ ฟังไปฟังมาไม่ยังกลุ่มนะทันหลังฟัง MP3 หลวงพ่อนะฟังก็ยิ้มความจริงยิ้มกับตัวเองนะไอ้ลูกค้านึกว่ายิ้มด้วยนะมาเรียนเยอะเลยพวาทางเดือนแล้วไงก็ตื่นเต้นค่ะตอนนี้หลวงพ่ออุตส่าห์เล่านิทานจะให้หายตื่นเต้นยังไม่หายอีกเหรอนะอุตส่าห์ทำให้ดูเป็นกันเองก็ไม่รู้ว่าที่ฟังสิดีแล้วทาตามมัน ถูกต้องหรือเปล่าไปดูบ่อยๆนะมันมันหลงไปคิดแล้วมันก็ไปรู้อะค่ะนั่นแหละถูกต้องแหละหลวงพ่อถึงบอกว่ามันถูกไงมันหลงก่อนนะแล้วรู้ว่าหลงถูกแล้วบางครั้งมันหลงทั้งวันแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอะค่ะรู้ทั้งวันแล้วมันรู้สึกเหนื่อยอ๋อมันธรรมดาหัดใหม่ๆนะรู้สึกตัวเนี่ยเหนื่อยเหมือนหัดขับรถยนต์อ่ะหัดขับรถยนต์ทีแรกนะรู้สึกว่าเดินเนี่ยสบายกว่าขับรถอีก แต่พอขับรถเป็นแล้วนะรู้สึกสบายกว่าเดินการภาวนาเหมือนกันทีแรกมาหาดรู้สึกตัวเนี้เหนื่อยที่สุดเลยเพราะมันเคยหลงต่อมาพอจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วนะพอมันหลงก็เหนื่อยนะรู้สึกตัวนะ่ะสบายมันจะกลับข้างกันอดทนนะนจะต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนต่อไปสบายมีความสุขถ้าเกิดเหนื่อยแล้วมาทําสมาธิได้ไหมคะได้ได้จะทําอะไรล่ะก็ปกติก็ ยุบหน่อพ้องหนอก็บริกรรมไปเรื่อยๆกจิตมันก็รวมของมันแบบรวมนิดนึงลงมาแต่ว่ามันก็รู้ว่ามันก็คิดไปอยู่อะคะออนะ่ะแล้วก็พอนั่งไปพักๆหนึ่งมันก็รวมลงมาอีกแล้วก็คิดน้อยลงอะคะออ่ออนะแล้วแล้วพอดีดว่าพอพอออกมาจากสมาธามันมันเหมือนเห็นขามันขยับแต่ว่าความรู้สึกแบบ เวลานั่งลงไปเลือกแล้วความรู้สึกมันเหมือนแบบไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าว่าขาไม่ใช่ของเราแต่เห็นว่ามันขยับอยู่มันเป็นความรู้สึกเชี่ยววินาทีที่แบบว่ามันไม่ใช่ของเราแต่พอว่าครั้งแรกที่ที่ไม่ได้เคยทําสมาธิเลยก็ดูดูมันร่างกายมันทํางานไปพอพอจะล้างหน้าปุ๊บมันเหมือนแบบแวบหนึ่งแบบมันมันเหมือนมือไม่ใช่ของเราแล้วก็ แต่ว่ามันเป็นมือไม่ได้เห็นแตกต่างอะไรเลยแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกแวบแวบแบบเสี้ยววินาทีเราเช็คความรู้สึกอย่างนั้นแหละมันเกิดเองด้วยนะไม่ใช่สั่งให้เกิดจง <Okay. S 2> ใจให้เกิดมันก็ไม่เกิดหัดมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆแล้วความรู้สึกอย่างนี้เกิดเองแล้วแล้วทีนี้มันก็ตกใจกลัวค่ะแบบกลัว ใ, ให้รู้ว่าตกใจกลัวแล้วกลัวว่าตัวเรามันมั น, มนไม่ <phải. S 2> อยู่ก็รีบ รีบโทรหาคนนั้นคนนี้เพื่อแบบฉันยังอยู่ะฉันยังอยู่ก็พอดีมันตอนกลางคืนนะคะมันเหมือนแบบมันมีสมาธิมันก็เลยรวมเข้าไปแล้วแล้วพอดีแบบว่ากลัวผีแต่ว่าพอตอนนั่งทสมาธิตอนเช้าก็เลยแบบว่าพอเห็นมันอีกทีนึงคราวนี้ก็เลยไปดูมันดูมันและเห็นมันขามันขยับเหมือนไม่ใช่เราก็ก็รู้ว่ากลัวนิดนึงแล้วก็เลยดูมันต่อไปนิดนึงแต่ว่า จิตมันบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะใช้อะไรแบบเหมือนเสพความสุขอย่างเงี้ยค่ะมันคิดขึ้นมาอย่างนี้หนะ้ามันเสียดายความสุขหรอกมันไม่เห็นเราว่าตัวเรานีะเป็นตัวทุกมันยังคิดว่าเป็นของดีอยู่นะฝึกต่อไปนะเราจะเห็นว่าไม่น่าเสียดายหรอกแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าตัวเองมีความทุกข์เพราะว่าไปคิดนะคะใช่แล้วแล้วพอเหมือนกับรู้ทันปุ๊บมันก็เหมือนแบบ มันขาดไปชีวิตก็เลยทุกเป็นช่วงๆไปอะค่ะดีอย่างนั้นแหละอร์เบอร์71พอดีไม่เคยมาค่ะหลวงพ่อฟังแต่ซีดีแต่ว่าตัวเองก็ปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนำอะค่ะเห็นกิเลสไหมแต่ละวันเจอกิเลสบ้างัหมเยอะค่ะโอ้ยิ่งเยอะยิ่งเก่งนะกิเลสเกิดทั้งวันแหละค่ะปกติมันก็เกิดทั้งวันแต่เราไม่เคยเห็น การที่เรามาหัดภาวนาแล้วเราก็เห็นเดี๋ยวกิเลสก็เกิดเดี๋ยวกิเลสก็เกิดนะอย่างนี้เก่งนะใช้ได้แล้วก็รู้ด้วยความเป็นกลางอย่าไปเกลียดมัน อ, อรู้ว่าตัวเองเป็นกลางอยู่ใช่ไหมคะอะไรนะตัวนี้ตัวเองเป็นคือคื อ, คอแบบถึงฐานหรื อ, อยังยังไม่ต้องสนใจหรอกนะไม่ต้องสนใจนะค ะ, ะแต่ละคนไม่เหมือนกันของคุณนะพอใจไหลไปคิดแล้วรู้บ่อยๆนะถ้ารู้ไม่ทันเด็กกิเลสก็เกิดพอกิเลสเกิดก็รู้ทันว่ากิเลสเกิดก็ยังใช้ได้ อย่างเนี้ยไหลพี่คิดแล้วทราบไหมแว็บหนึ่งค่ะอืนะหัดรู้สึกอย่างนี้นะเบอร์ห้ากราบน้ำมัสบานหลวงพ่อครับก็เคยฝึกปฏิบัติที่อื่นบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็มีฟังซีดีหลวงพ่อครับเห็นกิเลสหรือยังล่ะยังครับไปหัดดูสินะกิเลสเกิดได้เรื่อยๆแหละพอตามองเห็นกิเลสก็เกิด หูได้ยินเสียงกิเลสก็เกิดจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดใ จ, ใจนึกกิเลสก็เกิดได้ถ้ากิเลสเกิดขึ้นมาล้วก็คอยรู้ทันอย่าไปเกลียดมันนะรู้มันอย่างเป็นกลางเลยไปล้วก็จะดูเหมือนเห็นคนอื่นนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆครับผมแล้วมีข้อแนะนำอย่างอื่นไหมครับเฮ้ยแค่นี้ก็เยอะแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คอยไปดูใจตัวเองไว้นะใจเรามันจะคิด หนีไปคิดแล้วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะคอยรู้ทันถ้ารู้ทันได้แต่จิตนี้ไปคิดเนี่ยรู้ได้ตั้งแต่ต้นทางเลยแต่ถ้ารู้ต้นทางนี้ไม่ทันมันไปคิดซะแล้วนะมันเกิดสุขเกิดทุกข์ก็ค่อยรู้เอามันเป็นกุศลอกุศลขึ้นมาก็ค่อยรู้เอานะไม่ห้ามหรอกจะเห็นเลยทุกอย่างชัวง่วคราวต่อไปนะจะเห็นทุกอย่างชัวง่วคราวความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชัว่วคราวจะเห็นอย่างนี้ เร์168กลับนะมัสการค่ะหลวงพ่อก็ดูจิตมานะคะเพราะว่าเป็นคนคิดมาก mm hmm. เรานี้ตอนกลางคืนคือในชีวิตประจำวั น, นะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะก็พยายามรักษาศีล น, นะคะเพื่อให้ครบเรานี้อตอนกลางคืนนะคะก็ฝันคือเหมือนจิตมันสอนนะคะเหมือนสร้างสถานการณ์ให้เรารู้ว่าไอ้ศีลที่เราคิดว่าเราเราทครบอะคะ่ะ จริงๆมันทําไม่ครบก็คือมันจะมีสถานการณ์ทําให้เราแบบต้องมุสาก็คือผิดศีลผิดศีลข้อสี่ก็เราก็พอเราตื่นมาเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเราก็ต้องมุสาเพื่อเอาตัวรอดอะคะ่ะก็ยังเห็นว่าตัวเองยังมีความรักตัวเองอยู่มากดีที่เห็นนะอุตสาห์ฝันแล้วยังอุตสาห์คิดเป็นธรรมะได้อีกค่ะแล้วก็นี้เนี่ยทุกวันนี้หนูพยายามจะเร่งความเพียรนะคะ ก็จะรบกวนถามหลวงพ่อนิดหนึ่งว่าพอดีภายในปีนี้ค่ะคือทางบริษัทเขาเปิดโอกาสให้คือถ้าจะเล่นความเพียรโดยการที่คือเขาจะให้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดได้หนึ่งเดือนอย่างเงี้ยค่ะถ้าคือไม่รู้ว่าโดยจริตของหนูอะค่ะถ้าไปวัดเนี่ยมันจะหนีออกจากโลกมันจะไม่ไม่เจอผัสสะหรือว่าอยู่กับโลกดีกว่าค่ะอยู่กับโลกดีกว่ามั่ง หนูกคิดยงง่งเงี้ยเพาะขนาดในความฝันนะคะคืออยู่กับโลกเนี่ยถ้ามันไม่มีภาษาเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมคะว่ า, วาเราเป็นอย่างไรแต่ถ้าอยู่กับโลกเนี่ยมันมีภาษามันก็จะทําให้เราตามตามจิตได้ดีกว่าอยู่วัดก็มีภาษานะเพราะอยู่วัดเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เห็นรูปเห็นสีเห็นกลิ่นได้รสนะสัมผัสอารมณ์อยู่ตรงไหนก็มีภาษาะแต่ถ้าอยู่วัดเนี่ยภาษามันซ้ํซากมันจะซึม ขอ้อยหคาสิบแปดนมัดการเจ้าค่ะคื อ, อส่งกันบ้านในรอบ3าเดือนนะคะ3มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีความประมาทในธรรมอะคะ่ะคือคิดว่าเจอสภาวะที่ดีแล้วมันน่าจะดีต่อไปเรื่อยๆหรือว่า อ, อะไรอย่างเงี้ยมันจะให้เที่ยงสิ <laughs> มันไม่เที่ยงรอกใช่ค่ะแล้วก็เจอว่าเป็น อยากดีอะคะ่ะอยากได้สภาวะดีๆก็มันก็บางครั้งมันก็ดิ้นรนนะคะแล้วก็ไปเห็นอีกว่าจริงๆสภาวะดีหรืออยากดีทั้งหลายเนี่ยมันก็อยู่กับเราได้ไม่นานนะคะ<ช>ก็เลยแบบไม่ได้จะใส่ใจว่าจะต้องดีหรือไม่ดีอะค่ะส่วนช่วงนี้นะมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นน ะ, ะไม่ใช่ไม่ใส่ใจเลยไม่ดูไม่ได้นะ <c oughs> คือ คือรู้ว่าไปให้ค่าก็ก็เลยเดี๋ยวนี้แบบแต่ว่ายังรู้รไม่ทันตรงให้ค่าค่ะก็ะไปรู้นะอย่ไหนก็รู้ทันค่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยสภาวะหนูรู้สึกว่าจะมีสภาวะแบบคือหลงไปแล้วก็มันเหมือนกับมีความสงบสง บ, สงบแล้วก็มีคนดูอยู่อะค่ะมไม่ทราบว่าหนูแบบคื อ, อยังมีคนดูอยู่ก็ใช้ได้อยู่นะ แต่ว่าอย่าไปประครองคนดูนะไม่ใช่ว่าต้องรักษาผู้รู้ผู้ดูให้มีอยู่ตลอดเวลายิบสี่ชั่วโมงไม่ใช่มีขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วผู้รู้ก็เปลี่ยนเป็นผู้คิดอะไรเงี้ยน ะ, ะก็แปรปลวน<ะ>มีแต่ของแปรปลวนทั้งหมดเลยจิตขนาดนี้เป็นไงมันตื่นเต้นดูออกไหมใช่ใช่แล้วจิตมันกระจายออกไปข้างนอกดูออกไหมใชใช่ใชนะมันไม่ย้อนมาที่ตัวเราเอง ให้คอยรู้ทันถ้าจิตมันกระจายออกไปข้างนอกให้รู้ว่ามันกระจายออกไปมันจะกลับมาที่ตัวเองนะอย่าดึงตอนนี้ไปดึงลนะะถ้าดึงคืนมาใช้ไม่ได้ถ้ารู้ว่าจิตไหลออกนอกรู้ทันว่าไหลไปนะมันจะกลับมาเองอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ใจจะโปร่งล่งเบา อ, <น> อ, อวันนี้เอาเท่านี้ตอนนี้มันกลับมานิดนึงปคะคะเออกลับมาหน่อยนึงแล้วขอบคุณค่ะเอาวันนี้อเอาแค่นี้นะ